สุนัะตาฤชวีบุตรเนี่ยนะเป็นคนเจ้าลัทธิเจ้าทิฏฐิแล้วก็ทิฏฐิของเขาแต่ละอย่างนั้นอาประเภททิฏฐิโหดเหี้ยมทั้งนั้นเลยคือเขาก็เชื่อเรื่องความบริสุทธิ์อ่ะนะแต่ว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันมันวิ จ, จิตนะนะไม่รู้ไปค้ น, คนไปคิดเอามาจากไหนไม่ทราบแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งมีแต่ชาตินี้อดีตแต่ชาติแกก็เป็น เขาถือเรื่องความบริสุทธิ์ด้วยพรหมจันทร์ถือความบริสุทธิ์ด้วยความเศร้ามองถือความบริสุทธิ์ต้องเกลียดบาปต้องถือบริสุทธิ์โดยความสงัดความวิเวกบางทีก็ถือเอาความบริสุทธิ์เพราะอาหารบางทีก็ถือเอาความบริสุทธิ์เพราะเกลียดบาปบางทีก็ถือเอาความบริสุทธิ์โดยอยู่ป่าช้าโดยนุ่งลมหอมอากาศกินอาหารแต่น้อยเป็นต้นเน่ยเป็นเจ้าลัทธิตั้งเงื่อนไขในการปฏิบัติไปเยอะมากเลยนะ เพะะ น, นเขาจึงไม่เลื่อมใสในอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดของพระพุทธเจ้าเลยคือกลุ่มเหล่านี้เขาถือวิธีการปฏิบัติในทิฏฐิอของเขาว่าคนจะบริสุทธิ์เนี่ยต้องทําอย่างนี้สิจึงจะบริสุทธิ์ต้องทําอย่างนี้ให้มันสุดๆแล้วจะบริสุทธิ์อัน น, นคือคือเขามีหลักการชนิดที่เรียกว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยไม่แก่ไม่สามารถแก้ไขเขาได้เลยทั้งสุนัขคาตาฤชวีบุตรเนี่ยนะ เป็นคนแม้แต่พระพุทธเจ้ายังแก้ไม่ได้เลยเรียกว่าถึงบวชถือบาตรตามพระพุทธเจ้าอยู่ตั้งหลายปีพระพุทธเจ้ายังแก้ไขเขาไม่สําเร็จแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไมพระองค์จึงบวชให้อยู่ในสํานักลก่ะก็เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้สัตว์อื่นได้บรรลุได้เพราะเขาจะไประดมคนมาเพื่อมาฟังรมแล้วเขาก็บรรลุแล้วก็รู้ว่าคติของเขาเป็นอย่างไรรู้ว่าเป็นคนที่แก้ไขไม่ได้อยู่แล้วเนี่ย ทีนี้การที่พระองค์ตอบคำตอบแก้ลัทธิของเขาอ่ะเป็นการมุ่งจะแก้คนอื่นยากเอาว่าอย่ามีความเห็นแบบสุนัขัตาลิชวีเลยมันไม่ดีและในบรรดาความเห็นเหล่านั้นของสุนัขขตาลิชวีเราเคยไปทำมาหมดแล้วซึ่งมันไม่ได้ผลมันแก้ปัญหาไม่ได้มันทฤษฎีหลักการวิธีการปฏิบัติที่พวกเขาบัญญัติกันขึ้นมา มันไม่ได้ช่วยให้ดับทุกข์ได้จริงก็ยกตัวอย่างในข้อ177หน้า54ดูก่อนสารีบุตรอันหนึ่งเราย่อมเข้าใจประพฤติพรหมจรรย์ที่ประกอบไปด้วยองค์สี่เพราะเราเป็นผู้บำเพ็ญตะบะและเยี่ยมกว่าผู้บำเพ็ญตะบะทั้งหลายในบรรดาคนที่มีตะบะนะเราชั้นเลิศของพวกมีตะบะเราประพฤติความเศร้าหมองและเป็นเยี่ยมกว่าผู้ประพฤติ เศร้าหมองทั้งหลายเพราะฉะนั้นขีดสุดๆของนักเศร้าหมองเนี่ยเราถึงที่สุดเราเป็นผู้เกลียดบาปและเยี่ยมกว่าผู้เกลียดบาปทั้งหลายเราเป็นผู้สงัดและเยี่ยมกว่าผู้สงัดทั้งหลายวิธีการเหล่านี้ไม่ใช่ในพุทธศาสนานะในวิธีการของลัทธิภายนอกลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยไปปฏิบัต พระองค์เคยไปปฏิบัติมาแล้วและปฏิบัติเยี่ยมกว่าพวกที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยปฏิบัติได้เนื้อกว่าพวกนั้นด้วยทวนทบทวนนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ก่อนว่าที่บอกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยนะโดยศัพท์คําว่าพรหมจรรย์ในพระไตรปิฎกนี่มีหลายความหมายในพระไตรปิฎกนะที่ใช้ใช้กันอยู่เนี่ยมีหลายความหมายมากเอคําว่าพรหมจรรย์ในพระไตรปิฎกบางทีหมายคำว่าหมายถึงทาน ในหน้าเก้าสิบสี่กลางๆหน้าเพวันการคําว่าประพฤติพรหมจรรย์บางทีก็หมายถึงทานบางทีก็หมายถึงวิยาวจจะบางทีก็หมายถึงศิขหาบทบางทีก็หมายถึงพรหมวิหารบางทีก็หมายถึงธรรมเทศนาบางทีก็หมายถึงว่างดเว้นจากเมถุนบางทีก็หมายว่าสันโดษในภริยาบางทีก็หมายถึงความเพียรคือวิริยะบางทีก็หมายถึงอุโบสถบางทีก็หมายถึงอริยมรรคบางทีก็หมายถึง พระพุทธศาสนาทั้งหมดบางทีก็หมายถึงอัธยาศัยเรียกว่าพรหมจรรย์ทั้งหมดมีสิบสองความหมายคําว่าพรหมจรรย์เนี่ยนะโดยศัพท์พรหมจรรย์นี่แปลว่าประพฤติประเสริฐแต่ทํายังไงเรียกว่าประเสริฐมันความประเสริฐแต่ละแห่งไม่เหมือนกันนะค่านิยมยกย่องอ่นะคําว่าทําดีทําดีเนี่ยกับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันอย่างเช่นพรหมจรรย์ในปุณกกะชาดกปุณกกะชาดกที่บอกว่า อะไรเป็นวัดของท่านอะไรเป็นพรหมจรรย์ความสําเร็จความรุ่งเรืองพละความเพียรและอุบัตินี้เป็นวิบากของผู้ประพฤติดีอะไรข้าแต่ท่านผู้ประเสริฐขอท่านจงบอกมหาวิมานแก่ข้าพระเจ้าแปลว่าไปทําบุญอะไรมาไปประพฤติประเสริฐไปทําอย่างไรมาจึงได้วิมานขนาดนี้มางั้นนะถ้าพูดแบบสมัยนี้ก็บอกว่าไปทาํามาค้าขายลงทุนอะไรบ้านจึงใหญ่โตรถจึงใหญ่โต เ, เขาเขาทำอาชีพอะไรนะคล้ายๆแบบเนี้ย ก็เลยบอกว่าข้าพเจ้าและภริยาทั้งสองเนี่ยอดีตชาติเนี่ยเป็นผู้มีศรัทธาเป็นฐานะบดีในมนุษย์โลกในการนั้นเรือนของข้าพเจ้านี่เป็นโรงทานใกล้บ้านโยมที่นี่านะ้าเตั้งบ้านตั้งเรือนเป็นโรงทานใช่และสมณะพราหมณ์ทั้งหลายอันเราเลี้ยงดูให้อิ่ม น, น้ำสำราญแล้วนั้นเป็นวัดของข้าพเจ้า นั้นเป็นพรหมจันทร์การประพฤติประเสริฐของข้าพเจ้าความสําเร็จความรุ่งเรืองพละความเพียรและอุบัตินี้อันนี้เป็นวิบากของความประพฤติดีนั้นท่านทีระนี้เป็นมหาวิมานของข้าพเจ้าหมายคะ ว, ว่าเขาทําบุญตั้งโรงทานมานั้นคาว่าทานนี่แปลว่าพรหมจันทร์ในปุณกะชาดกเนี่ยนะความหมายของของอ่าทานเรียกว่าพรหมจันทร์ก็ได้ที่เขาได้วิมานใหญ่ขนาดนี้ ความสําเร็จทั้งหลายที่ที่ได้มาเนี่ยเพราะการให้ทานเพราะฉะนั้นที่ที่บ้านเดือนของเขาเนี่ยสร้างเป็นโรงทานเนี่ยนะให้เรียกว่าเป็นแหล่งที่ให้ทําบุญนะนะพอพูดถึงอย่างนี้ก็นึกถึงอของโยมที่นี่นะที่บ้านนี่ก็ตั้งเป็นโรงทานทั้งวัตถุทานอภัยทานแล้วก็ธรรมทานจะได้สามอย่างเลยนะวัตถุทานก็เลี้ยงอาหารให้ที่อยู่ที่อาศัยเป็นต้นเรียกว่าให้วัตถุทาน ให้อภัยทานก็ชวนกันสมาทานศีลเรียกว่าให้อภัยทานแล้วก็ให้ธรรมทานนะก็ให้ความรู้ศึกษาพระธรรมคำสอนเป็นต้นเนี่ยนะก็ได้ทานสามอย่างเลยอันนี้พูดถึงในชาดกนะว่าธรามทานเรียกว่าพรหมจันท ร, ร์เหมือนกันหรืออีกไ ว, ไอไ ว, วัยวายวัจจะเนี่ยนะวายาวัจจะแปลว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพรหมจันทร์การช่วยเหลือเกื้อกูลเรียกว่าพรหมจันท ร, ร์ในอังกุระเปตะวัฏถุว่า ฝ่ามือของท่านให้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่ไหลออกแห่งวัตถุมีรสอร่อยผลบุญย่อมสําเร็จที่ฝ่ามือของท่านเพราะพรหมจรรย์อะไรคือมีอยู่ครั้งหนึ่งอะนะพ่อค้าพ่อค้าเข้าไปค้าขายแล้วอดอยากมากไปไปที่ต้นใส่ต้นหนึ่งต้นใส่ต้นนั้นก็ไปอธิฐานว่าถ้าเทวดามีอยู่ก็ขอให้โปรดให้อาหารให้อะไรหน่อยเถอะเทวดาก็เลยออกมาแล้วก็ให้ะนะเนรมิตรให้ะนะเนรมิตให้ทุกอย่าง ทีนี้พวกพรามเหล่านั้นก็เลยถามว่าเนี่ยมือของท่านเนี่ยให้สิ่งที่น่าปรารถนาเป็นที่ไหลออกมาแห่งรถอร่อยทำบุญอะไรมาทำไมผลบุญจึงสำเร็จที่ฝ่ามือของท่านท่านประพฤติดีอะไรมาทำพรหมจรรย์อะไรมาเทวดาหรือรุกขเทวดาท่านนั้นก็บอกว่าฝ่ามือของเราเนี่ยเพราะเราได้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาไหลออกแห่งวัตถุแห่งรถอร่อยย่อมสาเร็จที่ฝ่ามือของเราเพราะพรหมจรรย์นั้น คือมีอยอดีตชาติเนี่ยชายคนนี้เขาไม่ได้ให้ทานอะไรเลยแต่เขาจะมีพวกคนมาถามทางว่าทางไปโรงทานของท่านเศรษฐีอยู่ที่ไหนโอ้ยทางโน้นทางโน้นเออทางโน้นคือคื อ, ค, อคนเนี่ยมาแล้วหลงทางมาไม่ถูกชายคนเนี้ยคอยบอกที่โน้นนะท่านเศรษฐีท่านให้ทานอยู่บ้านโน้นบ้านทสีอยู่ตรงนน้นอบ้านนั้นท่านให้เขาให้ทานไอ้คนนี้เนี่ยบอกว่าทําบุญที่เรียกว่าคอยบอกทางให้ ให้พวกยาจกทั้งหลายไปรับอาหารได้อันนี้เรียกว่าไวยาวัจจะอันเนี้ยเป็นเหตุให้เขาเกิดเป็นลูกกทวดาที่มีฤทธิ์มากเสกอะไรก็ได้อย่างที่ใจต้องการส่วนในติติยะชาดกนะติตระชาดกก็คือชาดกว่าด้วยนกกรทานกกราว่าเสกขาบทห้าหรือศีลห้าเรียกว่าพรหมจันทร์ติตริยวัดเป็นพรหมจันทร์ก็หมายถึงศีลห้าใน ติตระชาดกนะชาดกเรื่องนกนกกรทาส่วนมหาโควินทสุทีคณิกายมหาวัคพรหมจันหมายถึงพรหมิหารภาวนาพรหมิหารที่พระองค์ตรัสว่าตัญจสิทธะพรหมจันนั่นแหลพรหมจันคือพรหมิหารสีที่เราสอนในตอนที่เป็นาศาสนามหาโควินเนี่ยนะตอนที่เป็นท่านมหาโควินนั้นนหะ พรหมจรรย์คือพรหมวิหารไม่ได้เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อคลายกำนัดไม่เป็นไปเอเข้าไปเป็นไปเพียงเพื่ออุบัตในพรหมโลกเท่านั้นคือในศาสนาของโควินมหาโควินทพราหม์เนี่ยนะเขาสอนพรหมวิหารให้แก่สาวกของเขาสาวกของเขาปฏิบัติตามพรหมวิหารก็ไปเกิดในพรหมโลกแต่พรหมโลกไม่ใช่สถานที่ที่จะทาให้เกิดความ เบื่อหน่ายและคลายกําหนัดไม่เหมือนอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ปดมันอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเท่านั้นแหละที่จะเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัตฏะเพื่อคลายกําหนัดในวตัตฏะนะนะเป็นไปเพื่อเพื่ อ, อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติอันนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดพันนายโควินทสูตรคําว่าพรหมจันทร์หมายถึงพรหมิหาร ส่วนพรหมวิหารในพระสูตรที่ชื่อว่าพระสูตรหนึ่งนะหมายถึงพระธรรมเทศนาธรรมเทศนาเรียกว่าพรหมจันทร์เช่นว่าพรหมจันทร์หนึ่งมีผู้ละมัจจุได้พันคนหมายคําว่าผู้ใดฟังพระธรรมเทศนาไปหนึ่งสูตรพรหมจันทร์คือธรรมเทศนาเพรอแสดงธรรมจบบรรลุหนึ่งพันมันฟังหนึ่งครั้งบรรลุหนึ่งพันนเลยเรียกว่าพรหมจันทร์เพราะประพฤติประเสริฐเนี่ยนะเพราะฟังธรรมแล้วก็บรรลุมรคผล ส่วนอีกในหนึ่งในสลเลคสูตรสลเลขสูตรหรือในอุโบสถสูตรเนี่ยนะพรหมจันทร์หมายถึงเมทุนวิรัตก็หมายถึงอุโ บ, โบสถศีนข้อสาอ่ะนะเรียกว่าพรหมจันทร์บอกว่าเรียกว่าประพฤติพรหมจันทร์เนี่ยอบ ร, รมจริยาเวรามณีอ่ะนะพรหมจันทร์ตัวนั้นหมายถึงเมทุนวิรัตส่วนในมหาธรรมปาละชาดกหมายถึงว่าไม่นอกใจพริยา เรียกว่าพรหมจรรย์ก็ <footage> บอกว่าข้าพเจ้านะไม่นอกใจภริยาภริยาก็ไม่ล่วงเกินเราคือไม่นอกใจเราเราประพฤติพรหมจรรย์เว้นจากภริยาเราคือหมายก็ว่าไม่ยุ่งกับคนที่ไม่ใช่ภรยาของเราเลยเพราะฉะนั้นตระกูลของเราเนี่ยเด็กจะไม่ตายตั้งแต่อายุ น, น้อยๆเพราะตระกูลนี้เนี่ยนะเป็นตระกูลที่รักเดียวใจเดียวเขาบอกงั้นน่ยทั้งทุกฝ่ายเลยอันนี้แหละทาให้อายุยืนตระกูลนี้อายุยืนเพราะทุกคนรักเดียวใจเดียวเขาบอกงั้น อันนี้ในมหาธรรมปาละชาดกนะส่วนในเนมิราชชาดกอุโบสถอันประกอบไปด้วย อ, องค์แปดเรียกว่าพรหมจันทร์หมายถึงการรักษาศีลแปดเนี่ยนะทั้งแปดข้อเลยเรียกว่าพรหมจันทร์เช่นบอกว่าบุคคลย่อมเกิดในตระกูลกษัตริย์ด้วยพรหมจันทร์ที่เลวเกิดในตระกูลเทวดาหรือเกิดเป็นเทวดาด้วยพรหมจันทร์ปานกลาง ถ้าประพฤติพรหมจรรย์ได้หมดสดเจริญพรหมมิหารด้วยนี่เรียกว่ารพรหมจรรย์ชั้นสูงพรหมจรรย์ตัวนั้นหมายถึงศีลแปในมหาโควินทสูตรอีกนั่นแหละอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกว่ารพรหมจรรย์อันประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แเช่นว่าพรหมจรรย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายในวัฏฏะโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดใน วัตตะเนี่ยนะเพื่อคลายกําหนัดคือคลายราคะเป็นต้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อแต่สรู้เพื่อพระนิพพานมันอริยมรรคอันประกอบไปด้วย อ, องค์8เรียกว่าพรหมจรรย์อันสูงสุดเป็นพรหมจรรย์ที่ประเสริฐส่วนในปาสาธีกัดสูตรพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่ส่งเคราะห์รวมออกมาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ากลั่นออกมาก็เหลือศีลสมาธิและ ปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าศาสนาทั้งสิ้นอันสงเคราะห์หรือย่อลงมาก็เหลือสิกขาสามเรียกว่าพรหมจรรย์ที่บอกว่าพรหมจรรย์คือสิกขาสามพระพุทธศาสนาที่หมายถึงสิกขาสามนั้นกว้างขวางแพร่หลายพิสดารทนเป็นอันมากรู้และก็เป็นปึกแผ่นสามารถประกาศดีแล้วนับตั้งแต่มนุษย์จนเทวดาเป็นต้นอันนี้หมายถึงพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสิกขาสาม บางทีอัธยาศัยเรียกว่าพรหมจรรย์เช่นในสูตรว่าความหวังในผลเทียวย่อมสําเร็จแก่คนผู้ไม่รีบร้อนเราเป็นผู้มีพรหมจรรย์สุขแล้วดูก่อนคามินีท่านจงรู้อย่างนี้คําว่าอัธยาศัยนี่หมายถึงพรหมจรรย์หมายถึงว่าความไม่รีบร้อนน่ะะอัธยาศัยดีไม่รีบร้อนนี่แหละทําให้ประสบความปรารถนาส่วนในพระสูตรนี้หมายถึงความภาพเพียรพยายามหมายถึงวิริยะ น, นะ วริยะเรียกว่าความเพียรความเพียรที่ประกอบไปด้วยองค์สี่ที่ทําทุกขร ก, กิริยาสีอย่างเรียกว่าพรหมจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์สี่พันพรหมรจรรย์อันประกอบไปด้วยองค์สี่หมายถึงทุกขร ก, กิริยาทํายากนะความเพียรในข้อหนึ่งร้อยเจ็ดสเจ็ดหน้าห้าสิบสี่นั้นหมายถึงทุกขร ก, กิริยาคือสิ่งที่ทําได้ยาก